แต่เมื่อสิบสองปีก่อนนะมันมีเหตุการณ์สำคัญนะจำได้แม่เมื่อสิบสองปีที่แล้วนี่ยี่สิบธันวาเนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์สึนามินะสึนามินี่เป็นเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเลยนะยิ่งเมืองไทยด้วยแล้วเนี่ยไม่น่าลืมเลือนนะเพราะว่าเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ ที่ฆ่าชีตผู้คนไปในเมืองไทยนะทั้งไทยและเทศก็ห้าพันกว่าคนตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์นะผู้คนกำลังนอนหลับพักผ่อนก็เยอะที่กำลังสนุกสนานค้างต่อจากก่อนนั้นนั้นซึ่งเป็นวันคริสต์มาสก็มากนะ อากาศก็ดีเนี่ยอากาศคล้ายๆอย่างวันนี้นะแดดก็ไม่แรงมากนะฟ้าก็ใสนกก็ร้องนะโดยเฉพาะตรงเขาหลังเนี่ยมันมีอุทยานนะธรรมชาติก็ดูเป็นปกตินะแต่พอสิบโมงเข้านะคลื่นยักษ์มันก็ซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงนะ บริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ททั้งหลายเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตแทนที่มันจะกลายเป็นที่ที่คนมาสนุกสนานมันก็กลายเป็นสูสารนะของคนมากมายหลายคนก็ร่ารวยนะมีเงินมีทองอุซา บ, บินมาจากกรุงเทพบางจากยุโรปบ้างจะมาสนุกสนานรื่อนเริง แต่แล้วก็ชีวิตก็จบลงนะอย่างกระทันหันชนิดที่เรียกว่าบางทีหาศพไม่เจอหรือว่าศพนี่กลายเป็นไม่สวยไปนะเพราะว่ากว่าจะหาเจอรวบใครเป็นใครศนพะก็อืดละนะอันนี้มันน่าจะเตือนใจคนเรานะว่าความตายเนี่ย มันมาแบบไม่คาดฝันนะแม้จะเป็นวันที่นะแดดใสฟ้าสวยนะแม้จะอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามเป็นในเวลาที่มาพักผ่อนนะแต่ความตายมันก็สามารถจะมาถึงตัวได้อย่างรวดเร็วมาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยมันมักจะเป็นเช่นนี้ เหตุการณ์เบ็บกัญญานะมันก็เกิดขึ้นนะในวันที่ฟ้าสวยนะทุกอย่างดูราบรื่อตนะเสร็จ แ, แล้วไม่กี่นาทีนะนรกก็แตกนะอันนั้นเกิดจากฝีมือมนุษย์นะแต่สเสบกแต่ซิหกธันวาเนะซิร์นามีนี่มันเป็นเกิดจากภัยธรรมชา ต, ติถ้าเรารับรู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วนะก็ลองหาบทเรียนจากมันดูบ้างนะว่า ความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วมาในเวลาที่ไม่คาดฝันนะแม้แต่ในเวลาที่เรากำลังพักผ่อนนะหรือกำลังสนุกสนานลื่นเลืองกันนี่อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่นะคนก็จิตใจนะเฝ้ารอคอยว่าวันสิ้นปีจะมาถึงเมื่อไหร่ เราจะได้ฉลองปีใหม่กันให้เต็มที่หลายคนก็กำลังเข้าดาวกันแล้วนะยี่สิบหกนะก็เหลืออีกหกวันอีกห้าวันนะก็เลิกเข้าดาวกันแล้วนะผู้คนก็มัวแต่เข้าดาวนะวันสิ้นปีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ลืมเข้าดาวนะวันสิ้นลมนะ ใหม่ที่มาถึงเนี่ยมันก็หมายความว่าเราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีนะนั่นจะหมัวแต่เข้าดาวนะวันสิ้นปีนะต้องต้องเผื่อใจเข้าดาวเนี่ยวันสิ้นลมด้วยก็คือหมายถึงนึกถึงว่าวันสิ้นลมหรือวันตายของเรามันก็ใกล้เข้ามาเหมือนกันนะเป็นเพราะคนเนี่ยมัวแต่เข้าดาวเนี่ยวันสิ้นปีแต่ลืมเข้าดาววันสิ้นลมนะก็เลยนะ ตกอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าวันสิ้นปีนะจะมาถึงก่อนวันสิ้นลมนะบางคนก็สิ้นลมก่อนสิ้นปีด้วยซ้าเนะมื่อสองปีก่อนนะก็มีครูคนหนึ่งนะที่บ้านตาดบินทองเนี่ยใกล้ๆภูหลงเนี่ยไปฉลองปีใหม่นะขับรถไปฉลองนะจากหมู่บ้านเนี่ยลงเขาไปฉลอง ปีใหม่เขาฉลองกันตอนกลางคืนนะแต่ไปไม่ถึงกันนะไม่ไปไม่ถึงงานนะตายซะก่อนเพราะว่าขับรถชนต้นไม้ตายนะที่ขับรถชนต้นไม้เพราะเมานเะมาก็คือฉลองมาตั้งแต่บ้านแล้วนะตอนที่เป็นแค่วันที่สามสิบนะยังไม่ใช่สามสิบเอ็ดเป็นวันที่สามสิบไปฉลองเมาขับรถนะทำไมฉลอง ก็เพราะว่ามันใกล้นะใกล้สิ้นปีแล้วประมาทนะเนี่ยเพราะความประมาตก็ทำให้สิ้นลมก่อนสิ้นปีนะแต่ถึงแม้เราจะผ่านพ้นปีนี้ไปได้เนี่ยนะก็ต้องเผื่อใจไว้เสมอนะว่ายัางไงเนี่ยไอ้วันสิ้นลมต้องมาถึงแน่ไม่รู้เมื่อไหร่วันสิ้นปีนี่เรารู้ได้นะว่าอีกห้าวันนะ มันจะมาถึงแต่วันสิ้นลมนี่เราไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ยิ่งต้องทําให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหมายความว่ายังไงก็หมายความว่านะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะพยายามทําสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราหรือเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตนะอย่าผัดผ่อนนะสิ่งสําคัญในชีวิตเนี่ย หลายครั้งเราก็ผัดผ่อนหมั่นแต่ทําแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าอาจจะเป็นงานการที่มีเส้นตายหรือว่าความสุขที่มันเย้ายวนใจให้สิ่งที่ควรทําไม่ได้ทําไม่ใช่ไม่เห็นความสําคัญเห็นแต่ว่าผัดผ่อนเอาไว้ว่าเอาไว้ทําวันหลังสิ่งนั้นได้แก่อะไรบ้างนะก็ได้แก่การการทำการฝึกสติการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตฝึกใจ รวมทั้งการดูแลสุขภาพร่างกายห่งตัวไปถึงการทำหน้าที่ต่อคนที่เรารักนะไม่ใช่ว่าผัดผ่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่ได้ทำถึงเวลาที่จะสิ้นลมถ้ายัางพอรู้ตัวอยู่บ้างก็จะเสียใจนะเสียใจว่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยปรประโยชน์แต่บางคนก็ไม่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้เสียใจนะเพราะว่า มันตายกระทันหันอย่างซูนามิหรือว่าอุบัติเหตุรถชนอย่างที่ว่าบางคนก็คิดนะว่าเในเมื่อจะต้องตายแน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นฉลองเต็มที่เลยนะไอ้คนคิดแบบนี้นี่ก็ถือว่าประมาทแล้วก็ไม่ฉลาดด้วยเพราะาเราไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรนะคนเราไม่รู้เราจะตายอย่างไรนะอาจจะตายในสภาพที่พิการหรือว่าอ่า นอนติดเตียงก็ค่อ ย, อยตายไปเทเลนิดเทเลนิดนั่นถ้าเอามาแต่สนุกสนานถึงตอนนั้นก็จะมาเสียใจว่าโอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราควรทําแล้วไม่ได้ทําหรือว่าไม่ได้เตรียมใจรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนะความเจ็บปวดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้เตรียมใจไว้เลยว่าจะทำยังไงกับมันเพราะว่าไอตอนที่ยังมีลมหายใจมีสุขภาพดีเอาแต่สนุกหรือเพราะคิดว่าเอย ฉัจนจะต้องตายแน่แล้วสนุกให้เต็มที่แล้วกันนะแ้าคนาตายแบบปิดสวิตมันก็โอเคนะแต่คนลำไม่ได้ตายแบบปิดสวิตนะมันแม้แต่อุบัติเหตุนี่ก็ไม่ใช่ว่าตายทันทีนะจะรู้ตัวล่วงหน้าอาจจะสักไม่กี่วินาทีตอนน่าจจะทุรนทุนรายก็ได้เพราะความกลัวนะ เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เ, เมื่อใกล้ถึงเทศกาลอย่างเงี้ยก็มา เราลึกถึงนะวันที่เร า, าต้องจากลูกนี้ไปด้วยอย่ามัวแต่คิดฉลองวันสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าให้นึกถึงวันสิ้นลมของเรานะแล้วก็พยายามนะทําสิ่งที่ดีสุดจนแต่วันนี้อย่าผัดน์ผ่อนอันที่ว่าเรามาปฏิบัติทํากันที่นี่หรือว่าหลายคนสามคนก็กำลังจะบวชนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ใช้เวลาที่มีอยู่นะที่วัด น, นี้หรือที่ไหนก็ตามให้มันเกิดประโยชน์เต็มที่ แก่จิตใจของตัวเพื่อจะได้มีจะได้ไม่เสียใจว่าเมื่อเรามีเวลาเนี่ยเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยปราะโยชน์อาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมพังคอยถ้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเววาสมิชาตโตขงสำเร็จโดยฉาพรสาเพปูเรนตุสังขป ขอความดำริทางพวงจองเต็มที่จันโทปนารโสยตาเหมือนพระจันท์ในวันเพนมานิโชติรโสยตาเหมือนแก่มณีอัสว่างสวัยควรยินดีสาเพตโยวิวาชันโตขวานจัรายทางพวงจองบำราดไปสาพาโรคโควินาสตุโรคทางพวงของท่านจงหายมาเตพา ว, วันตรารโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีธิคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวัตนัสริสเนจางุตาปจายโนจตารอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภลังทามสีปาการืออายุวันนาสุขะภลังยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ยกรา มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวันตูษาพมังคารังอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตูสาพาเท ว, วตาพาราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะุทานุภาเวนาโวยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพัพพธรรมานุภาเวนาโวยอานุภาแห่งพระธรรม สาาสังคาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทธาสติภาวันตัวเตอขอความสอดดีท้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมื่อเธอ